นะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสัมังนัมมัสสมี อิตโตะบังสัจตังธัมโมโซโตโพตีขอนอบน้องคุณพรัชนาใจขอโอกาสตรงข้อกลมเพื่อเป็นประทานแล้วก็เพื่อทำตุกท่า น, น, นจเจริญพรอย่างไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนเนาะก็นั่งฟังกระตามสบายนกะนั่งฟังธรรมฟังธรรมะ คือฟังอะไรนะฟังธรรมะก็คือฟังความเป็นจริงเนาะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเนี่ยอันนั้นคือธรรมะเนาะฟังธรรมะนี้ไม่ใช่ฟังพัดเทศนะบางคนคิดว่าฟังธรรมะมันคือฟังพระเทศนะพระเทศกระเทศไปนั้นมันฟังเข้าหูแต่มันไม่ได้เข้าใจนะแต่ถ้าฟังธรรมะจริงๆเนี่ยมันต้องเข้าที่ใจของเรานะ เราเราได้ยินเสียงอะไรเนาะเรามันรู้สึกในใจของเราเนี่ยได้ว่าฟังธรรมนะในสมัยพุทธกาลนะบางทีพระพุทธพระพุทธเจ้าก็จะให้พรนะสงค์นหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาไปพิจารณาธรรมะบางคนเนี่ยไปอยู่ป่าปฏิบัติธรรมนะไม่เข้าใจธรรมะนะนะ ตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่พอเดินผ่านปา่าช้านะได้ยินนะได้นะยินเสียงผีนะเห็นความกลัวเกิดขึ้นในใจตดวเองนะเห็นว่าใจตจัเองกลัวเออเห็นใจมันหนีไปเนะ่ยได้ธรรมะนะหรือบางทีนะพระท่านบินธบาตอนเช้าเนาะได้ยินเสียงโสเพณีนะระดลดมร้องเพลงด้วยความไตรลักษนะ เห็นจิตที่มันเห็นจิตที่มันชอบแต่ก็รู้ทันจิตที่มันชอบนะแล้วก็เห็นมันดับไปเออมันเห็นเลยว่าเ อ, อธรรมะคือความเกิดดับนะของจิตใจธรรมะคือความไม่เที่ยงของจิตใจนะเห็นทั้งนั้นเนาะ ก, ก็เข้าใจนะเข้าใจธรรมะนะธรรมะก็คือเราเห็น เห็นที่สิ่งที่มันสแสดงนะตามความเป็นจริงเนาะแล้วก็เลยเห็นใจเรามันรู้สึกอย่างไรอยตรงนั้นด้วยนั่นคือเขียนธรรมะเนะวลาเราฟังธรรมะเนาะหลวงพ่อเขเขียนใคยเล่ า, าฟังนะบอกว่าให้ฟังเสียงทุกเสียงนะเหมือนเสียงสวดมนต์ให้มองคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนๆก็ให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นนะฟังเสียงอะไรก็แล้วแต่นะ เสียงสวดมันก็คือเสียงปัจจธรรมนั่นแหละเสียงที่เป็นความจริงบางทีนะะเราได้ยินเสียงเขาด่าเนี่ยเสียงปัจจธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นโรค ก, กระทำผลนินทาผลว่าร้ายผลเข้าใจเราผิดนหรือเสียงสรรเสริญก็เหมือนกันอนก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันโลกนี้เราจะเกิดมาได้ยินแต่เสียงนินทาอย่างเดียวก็ไม่มีเนาะ มันก็มีเสียงทารันเสริญนะเสียงทารันเสริญอย่างเดียวก็ไม่ได้นะก็มีคนยินทาว่านะเนี่ยเสียงอะไรก็แล้วแต่นะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นะงอแงโอ้ยนะเด็กมันเมื่อกี้มันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทีน่ารักแต่พออยากได้ของอะไรไม่ได้น้ำใจเนาะมันก็ร้องไห้งอแงเนาะไม่รู้จิตใจของเราเป็นแาบนั้นไหมบางทีจิตใจก็บางทีก็เป็นปกติดีๆ แต่พอเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนะบางทีเราไม่ร้องไห้งอแงเหมือนเด็กนะแต่ใจมันใจก็งอแงเนาะนี่เช่นงทีง่วงนอนเนาะอยากจะไปนอนเนาะไม่ได้ไปนอนนี่ก็งอแงในใจอย่นี้นะอืหรือบางทีตั้งกายของเราเองน่ะมันก็ไม่ยักไม่เป็นในที่ใจเราต้องการเนาะโอ้ยมันคือปวดที่นอหนะวายากปวดนะ่ะวายากปวด น่ะก็จมยู่น่ะจมในใจน่ะมันก็มองแงในใจเนาะอ่มันก็งองแงทําไงก็ไม่หายนะแต่ใจเราน่ะก็เลยไปทุกข์น่ะแต่ถ้าเราเออเห็นเห็นมันเป็นเพียงแค่เรื่องของกายมันปวดเห็นเป็นเรื่องของกายมง่วงนะใจไม่เป็นทุกข์กับมันด้วยเนี่ยมันก็ไม่งองแงเนาะน่ะเราจะเจ็บมากขนาดไหนเราจะแก่ขนาดไหน เราจะตายขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าใจเราไม่ิดทุกข์กับมันเนี่ยเพราะมันก็เป็นเรื่องของกายอันนี้คือจิตที่มันไม่หลงเป็นเป็นงองแงไม่ไปทุกข์กับอาการตา่างๆอันนี้แหละคือถ้าเราได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่น้องเข้ามาดูดูกายดูใจมันมีอาการแบบไหนที่จริงเนี่ยสัจะทําคือแบบนี้แต่ยิได้ยินเสียงอะไรก็ แ, แต่ อย่าเอาความชอบความไม่ชอบมาเป็นตัวตัดสินนะถ้าเราความชอบความไม่ชอบเป็นตัวตัดสินเนี่ยเราจะไม่เห็นธรรมะนะถ้ายินเสียงดังๆหนวกหอูอถ้าเรารู้สึกว่าใจเราไม่ชอบแต่ถ้าเรากลับมาเห็นใจเราไม่ชอบเนี่ยเนี่ยเห็นสัจธรรมเห็นธรรมะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ชอบแล้วก็ไปปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยนไม่ได้เห็นสัจธรรมธรรมะนะ หรือแม้แต่บาญทีพระลุคนี้คือเทศดีแทนนอสนะเทศเสียงวานเทศแดดเกงแทนนอสนะใจไปลอยอยู่กับคําเทศคําสอนของท่านนะดืมลืมดูใจของเราเองเนี่ยมันไปหลงเนาะไปหลงว่าไม่ได้ถั่ยธรรมธรรมะนะอ่มันไปหลงดีใจหลงสุขใจนะหลงพอใจนะที่จริงเนี่ะ ใจเราจะดีใจจะเสียใจถ้าเราเห็นไม่เข้าไปเป็นกับมันนั่นแหละนัะ่นคือเรียกว่าเราได้ธร ร, รมนะนะแต่เสียงอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาเนาะให้เรารู้ทันรู้ทันความพอใจรู้ทันความไม่พอใจน ะ, นะมันจะได้ธรรมะตรง น, นั้นแหละนะแต่ถ้าเราเอาความชอบเอาความไม่ชอบในใจเป็นที่ตั้งเนี่ยมันจะไม่ได้ใจธรรมเนา ะ, นะ เพรจริงเราจะทําอะไรก็แล้วแต่โลกใบ น, นี้เนาะมันนีไม่ค้นคนดินทามันนีไม่ค้นนี่คนสรรเสรินเราเราทำสักอย่างนึงเนี่ยบางคนก็ชอบเราบางคนก็ไม่ชอบเราเนาะอย่างบางทีเรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเนา ะ, นะบางคนก็ดินบางคนก็สนรเสริญเราเนาะสรรเสริญโอ้แม่ออกพอออกก็ดีไม่น่ามาปฏิบัติธรรมนะ แต่บางคนก็ไม่สรรเสริญเนะาะม้าที่ยังเถาที่ตายแล้วมันยากให้ยังเนาะอยู่บ้านสบายกว่ามันนี่แบบนี้เนาะภาพก็เหมือนกันเนะี่ยไม่ขี้เรื่องเหมือนกันเนะี่ยบางคนเรามาบวชเนาะบางคนก็สรรเสริญอนุโมทนาแต่บางคนก็ว่าคือว่ออกไปเหตุการณ์งานเนาะฝากบ้านฝาเรือนไม่ให้ยังเนะี่ยมันก็มีเนาะมันหนีไม่ค้นเพราะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะ ท่านทำสิ่งที่ประเสริฐก็มีทั้งคนสนรเสริญมีทั้งคนนินทาตามด่าเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ยังมีนะเราเองห น, นีไม่พ้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นสัจธรรมนะเป็นความจ ร, ริงนะเป็นสัจธรรมของโลกเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราเอาความชอบกับความไม่ชอบเป็ที่ตั้งเนี่ยเราจะทุกข์นะีอันนี้ ยกตัว อ, อย่างแค่คาพูดแต่ทจริงก็มีอย่างอื่นนะการได้รา่าดการเขื่อมราดการได้ยศการเขื่อมยศนะหรือความสุขความทุกข์ในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแสดงตลอดนะให้เราเห็นอันนี้เรียกว่าตัดจตธรรมอย่างหนึ่งเป็นโลกประธรรมคราวนี้สิ่งที่สําคัญเราไปวางใจแบบไหนอยู่กับโรคประธรรมนะเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกตัว ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันจะทุกข์นะมันจะทุกข์กับสิ่งที่ที่โลกเขากระทำนะเราจะกลายเป็นผู้ถูกกระทำนะแต่ถ้าเราเป็นผู้เห็นมีสติเป็นผู้เห็นเนะี่ยเราจะเห็นโลกมันแสดงนะเราก็ดูมันไปๆเนาะดูคนเขาว่าเรานะีก็ยิ้มยิ้มอมยิ้มในใจนะจะไปทุกข์ทำไมเนาะถ้าเขาว่าเราถูกเนะกี่ยก็ดีข อ, ขอบคุณถ้าเขาว่าเราไม่ถูก เขาก็ว่าเราไม่จริงเราจะไปทุกข์ทำไมเนะยาะพระพระพุทธเจ้าท่านเคยตัดไวนะ้น่ะบอกว่าไม่มีเหตุผลใดที่เราสมควรจะต้องโกรธเพราะอะไรเช่นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาว่าเราน่ยถ้าเขาว่าเรามันเป็นเรื่องจริงมันก็จะไปโกรธเขาทาไมก็เราเราก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงเนาะก็ขอบคุณเขาเราจะได้แก้ไขนะแต่ถ้าเขาว่าเราไม่จริงเนี่ยจะไปโกรธเขาทําไมเพราะเขา พูดไม่จริงพูดไม่ถูกเนาะเราจะไปรับทำไมเนาะเขาว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เนาะเราเป็นคนเนะี่ยเราจะไปทุกนะข์ทำไมนะเพราะว่าเราเป็น <c oughs> ป น, นั่นเป็นนี่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเขาไม่ต้องไปทุกข์อันนี้คือมันไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปโกรธใครแม้เขาจะว่าเราถูกหรือว่าเราผิดนะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเราก็แค่อยอมรับตามความจริงนะเราก็าไม่โกรธเขาเราก็าไม่ทุกข์ใจ เพราะอะไรพราะความโกรธเนาะมันเป็นไฟมันเผาตัวเราไปก่อนนะเผาใจของเราที่เกิดความทุกข์ไนปะเราไม่พอใจไปเราโกรธเนี่ยเราสังเกต ด, ดูมันทุกข์ไหมนะถ้าเราเห็นมันทุกข์เราอยากจะถือมันไหมนะอันนี้เราก็ต้องถามตัวเองเลยนะมันทุกข์เราอยากจะถือมันไหมนะจะวางมันไหมนะถ้าคนมีสติคนมีปัญญานนะจะวางนะ แต่ถ้าคนสติปัญญาไม่พอนะก็จะยึดนะยึดความโกรธยึดความไม่พอใจยึดความทุกข์ในใจนั้นเราต้องกลับมาดูให้รู้ทานอารมณ์ในใจของเรานะไม่ว่าจะเป็นความโกรธเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียความเป็นปกติทําให้มันทุกข์ความอยากก็เหมือนกันอยากก็ทําให้จิตมันทุกข์ความโลภนะความหลงหต่างต่างเนี่ย มันทําให้จิตมันทุกข์นะเราก็ต้องกลับมาเห็นโอ้มันทุกข์มันทุกข์นะทุกข์มันแยบหน้าเอาไม่นะนะถ้าเราเห็นว่ามันทุกข์มันก็จะไม่น่าเอาพอไม่น่าเอามันก็เกิดการปล่อยเกิดการวางใจก็เป็นปกติใจก็สบายเนะี่ยการกลับมาเห็นเห็นกายเห็นใจนะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะกับกายกับใจก็ดีเนะี่ยมันจะทําให้เรา คล้ายตื่นตื่นจากอารมณ์นะคนที่ไม่กลับมาเห็นกายเห็น ใ, นใจเนะี่ยมันจะโดนอารมณ์มันดอกนะเราคนเรามักกลัวผีหลอกแต่จริงไอ้ผีที่หลอกน่ากลัวที่สุดคือใจนะี่แหละที่ขาดสติเนะี่ยมันน่ากลัวที่สุดนะหลอกให้เรารักหลอกให้เราชังหลอกให้เราลองไห้เสียใจหลอกให้เราคิดแค้นนะคนอื่นนะมันหรือบางที เราก็หลอกให้เราเข้าใจเองนะหรือบางทีเราก็หลอกให้เราทุกข์ใจเองทําไมฉันคิดไม่ดีทําไมฉันเผลอทําไม่ดีนะไปคิดโทษตัวเองก็มีโทษคนอื่นบ้างโทษตัวเองบ้างไอ้พวกนี้ยคือมันหลอกนะหลอกเราทั้นั้นแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราจะตื่นจากการที่โดนหลอกนะไมนจะเห็นว่าจิตมันหลอก ไอจิตมันหลอกเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะน่ากลัวกว่าคนอื่นหลอกน่ากลัวกว่าผีหลอกนะผีหลอกไม่เห็นมีข่าวคือพิมพ์โดยทัดแล้วว่าโดนผีหลอกตายเนาะไม่มีเนาะคนหลอกก็แค่หมดเนื้อประดาตัวไปนะยังยังหาใหม่มาได้นะแต่จิตใจเราที่มันหลอกเนี่ยมันหลอกให้เรานอนไม่ระดับหลอกให้เราเสียใจร้องไห้นะเราต้อง พยายามมีสติกลับมากนละับมาดูกลับมาดูว่าตอนเนี้ยกําลังทําอะไรอยู่อย่างตอนนี้ถ้าจิตมันหลอกไปคิดห่วงนั่นห่วงนี่เนะี่ยเราก็กลับมาดูว่าเรากําลังนั่งอยู่นกะลับมาดูว่ากําลังนั่งตั้งจิตวัดอยู่กลับมาดูว่ากําลังนั่งฟังธรรมอยู่กลับมาสนใจอยู่กับสิ่งที่ฟังก็ได้กนะ็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เราทำนี่แหละ มันจะคล้ายๆมันจะตื่นออกมามันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้แหลเรียกว่าความรู้สึกตัวเรากลับมาหากายนะหรือกลับมารู้ทันจิตใจก็ได้พยังทำาบบนะี้บ่อยๆนะทำอะไรก็แล้วแต่ก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆจิตมันก็จะดูดออกมาจากความคิดจิตก็จะออกดูดจากความโดงที่ละขนาะ แต่การที่จิตมันออกจากความคิดความหลงทีละขนะดนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือว่หลวงพ่อต้องบอกว่าเนี่ยให้อยูอ่อยู่ที่ไหนให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นนิพพานก็คือการอยู่กับปัจจุบันการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนิพพานน้อ ย, อยเราอยู่ที่ไห น, ไหนเนี่ยให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวเนะ่ยตอนนั้นมันนิพพานนะ ไม่ต้องว่ายิพทานคือเป็นพระราหันเพราะยิปพานจริงก็คือความไม่ทุกข์นะถ้าตอนนี้เรานั่งอยู่เนาะเราไม่ทุกข์เนะี่ยเราก็ได้ยิปพานนะั่นนะนะแต่เป็นยิปทานที่อาจจะยังมีเชื้อกิเลสที่รอวันแทรกเข้ามานะแต่ยังน้อยในขณะ น, นี้มันก็ไม่ทุกข์แล้วอันเนี้ยพอใจแล้วนะถ้าเรารักษาความไม่ทุกข์ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ รับรองว่าเราก็สามารถเข้าถึงนิพพานที่ที่ถาวรกรณีได้นะก็คือใจเป็นปกติปกติปกติไปเรื่อยเนี่ยมันก็สามารถเข้าถึงตัดกิเลสตัดรากของตัณหาไปได้ทั้งหมดเหมือนกันแต่มันก็ต้องสะสมเนี่ยจากการที่เรามีนิพพานเีลยะขณะคือลักษณะดนี่แหละนะมันเหมือนเหมือนเราทํามาหากินนะเนาะ เราต้องทำมาหากินเก็บหอมรอมริษณ์นะถึงจะพอมีเงินสร้างบ้านนะหรือว่ามีเงินซื้อรถมีเงินไปลงทุนอะไรตา่างๆมันต้องอาศัยการเก็บหอมรอมลิตเนาะนะนะอย่างที่สุภาติทุกบอกเนาะมีสระหรึงพึงบรรจกให้ครบบาทนี่นะมันก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆอันนี้คือคนที่ทำความเพียรจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนไม่ทาความเพียร คนหวังหวังโชคหวังลาภเนาะก็จะหวังไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อยากให้มันถูกเยอะๆถูกใหญ่ๆจะได้มีเงินไปซื้อสิ่งของที่ต้องการแต่มันเหมือนเราไปฝากความหวังไว้กับกับโชคกับลาภนะซึ่งมันไม่ใช่ความเพียรที่เราทำเนาะมันไปหวังโชคลาภแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนอให้เราทําความเพียร น, นะ การทำความเพียจรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำความเพียรนะทำความเพียรเนี่ยนอกจากเดินจงกรมนอกจากสร้างจังหวะนะนอนก็ให้รู้สึกตัวนะพลิกมือหายพลิกมือคว่องนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรียกว่าทำความเพียรนะเราฉันอาหารเราทานข้าวทานน้นฟรนนะเรามีสติในการ ตับมีสติในการเคี้ยวมีสติในการคืนเนะี่ยเรียกว่าทำความเพียนนะนะเราเดินกลับไปที่กุทิกลับไปที่พักเราเดินอย่างมีสติระวังงูระวังมดนะไม่ได้กลนะัวแล้วก็เดินแต่ละก้าวย่างมีสติเนะี่ยเรียกว่าเรามีความเพียนนะเราพูดคุยนะกับเพื่อนนะถามข่าวกันพูดคุยอย่างมีสติ เราฟังอย่างมีสติไม่ใช่พูดคุยกันด้วยความเมามันหรือพูดคุยกันนินทาคนนั้นว่าคนนี้อันเนี้ยเรียกว่าขาดสติเราคุยกันให้เหมือนเป็นกาณมิตรจะเดินในธรรมกันอันเนี้ยก็เรียกว่ามีความเพียนนะจะพูดก็ดีจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีนะี่ยถือว่ามีความเพียนทั้งนั้นเลยนะจะกินข้าวจะอาบน้ํำนะ อาบน้ํารู้สึกตัวรู้ส บ, บู่รู้สึกตัวนีหลวงพ่อเคยเล่าว่า ม, มีมีนายแพทย์คนนึงอยู่ออนครสวรรค์เขียนจดหมายมาหาหลวงพ่อว่าขณะที่อาบน้ำถูส บ, บู่จิตจิตมันแยกเนี่ยเห็นรูปเห็นนามแยกกายแยกใจออกจากกันขณะที่ถูส บ, บู่ขณะที่อาบน้ําเนี่ยมันก็สามารถเห็นธรรมะได้ ก็คือเรามีความเพียรต่อเนื่องไปเรื่อยจนถ้ามันถึงจุดหนึ่งเออมันมันแยกนะขบุตรการต่างๆดวงตามันมันเห็นตามความเป็นจริงนะจะเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็ได้แต่จริงมันยังไม่ถึงขั้นดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบัยนักนะแต่มันก็ได้ในวิปัสสนาภูมิขั้ น, นต้นๆนะอันนี้คือมันก็เกิดจากการที่เราทำความเพียรมือแม้แต่อย่างแม่ออก หลวงพ่อเทียนนะเกนะ็บฝ้ายนะมึงเลยเก็บฝ้ายเห็นเห็นร่างกายมันเก็บฝ้ายนะจิตมันเป็นผู้เห็นเออมันตื่นลงมา น, นะแต่ก่อนคิดว่าเราเป็นผู้เก็บฝ้ายนะแต่พอเห็นว่าเออมันเป็นเพียงแค่ร่างกายที่มันเก็บฝ้ายนะแต่ใจก็ดูก็อยู่ตรงนั้นแหละเห็นมันอยู่เออนะ่คือความเพียรมันทำไปเรื่อยๆนะ จะทำอะไรก็แล้วแต่นะให้มีความเพียงความเพียรคืออะไรทําให้มันพอดีเนาะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าจริงจังเกินไปเนะี่ยไม่มีความเพียรนะจริงจังเคร่งเครียดนะอยากจะได้อยากจะเอาเนี่ยไม่ใช่ว่าความเพียรที่ที่ถูกตามนะคือความเพียรต้องพอดีพอดีนะไม่ใช่จริงจังเกินไปนะเราจะทําอะไรเนี่ยบางทีมันจริงจังเกินไปเนะี่ย มันจะไม่เพียนแต่มันจะเคี้ยงนะทำไปแล้วมันจะเครียดทําแล้วมันจะปวดหัวทําไปแล้วมันจะแน่นหน้าอ ก, อกทําไปแล้วก็พอทําไปได้เยอะพอมไม่ได้อยู่ในใจเราก็จะทอ้อเราก็จะถอยนะเราก็ไม่อยากทําแล้วนะนั้นทำความเพียรเนี่ยอย่าไปจริงจังมากให้ทําแบบสบายๆทําแบบเล่นๆแต่ให้ทําบ่อยๆ ทำเยอ ะ, ยอะทําต่อเนื่องไปเรื่อะนะอันนี้คือเราจะเป็นจริงจังมากจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าไม่จริงจังก็พูดคุยสนุกสนานหรือว่าไม่สนใจอ่าไม่สนใจที่จะกลับมาดูกายหรูอใจเลยนะไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับการพูดคุยไปอยู่กับนะเรื่องภายนอกไม่กลับมาดูด่างกายจิตใจเลยเนะี่ย อันนั้นก็เดีว่าเป็นคนที่ย่อหย่อนเนาะย่อหย่อนนะตนะามใจกิเลสหรือว่าลืมตัวอันนั้นก็ไม่มีความเพียรเหมือนกันเนาะเรายกมือสร้างจังหวะแต่ถ้าใจเราไปเผอไปคิดอันนี้นก็ไม่มีความเพียรนะใจเราจังโกอยู่ก็ไม่มีความเพียงนะะอันเนี้ยเราต้องรู้ทันนะเมื่อไหรที่มันเพี้ยนไปเครียอนะ่ะมีสติกลับมา เมื่อไรที่ใจมันเผลอไปคิดปรุงแต่งนะมีสติรู้ทันจิตมันจะกลับมาเป็นความเพียรนะเป็นทางสายกลางนะเป็นทางที่จะออกจากความทุกข์อันเนี้ยเราทำแบบนะี้บ่อยๆนะรู้สึกตัวเนะี่ยมันจะมีนะกายมันเคลื่อนไหวจะทำอะไรก็แล้วแต่นะกายมันเคลื่อนไหวใจคอยเป็นผู้ดูนะให้เห็นนะ เห็นกายมันเคลื่อนเห็นกายมันนั่งเห็นกายมันเดินเห็นกายมันทำอะไรก็แล้วแต่สติเป็นผู้ดูนะดูแยกแยกระหว่างกายเป็นสิ่งที่ถูกสติเข้าไปดูนะพอเห็นแบบนี้ไปเรื่อยถ้าพักหนึ่งความคิดความโหยเมื่อโผล่ขึ้นมาเอา้าเมื่อกี้มันยังไม่ทันคิดมันเผลอไปคิดแล้วจิตมันเผลอไปคิด ปติเป็นผู้ดูอีกทีหนึ่งนะเราก็จะเห็นจิตมันคิดนะเมื่อกี้เราดูกายไปเรื่อยแต่มันก็เห็นจิตด้วยนะพอเห็นจิตมันเผลอไปคิดจิตมันดับลงไปนะอันนั้นแ่ละธรรมะนะปรากฏขึ้นต่อหน้า ต, ตาของเราแล้ะนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันเนี้ยพอเราเห็นแบบนี้โอ้ไม่ต้องเป็นผู้โกรธก็ได้เนาะไม่ต้องเป็นผู้หลงก็ได้เนาะ แค่เห็นเฉยๆเนี่ยก็มันมันสบายตัวกันเนาะมันไม่ทุกเนาะน่ะเราก็โอ้ดูแล้วเราควรที่ต้องทําแบบไหนในชีวิตของเราเพียงแค่เห็นเพียงแค่ดูอะร่างกายจะเป็นอะไรดูมันเนาะร่างกายมีปวดก็ดูมันร่างกายมันเจ็บก็ดูมันร่างกายมันแก่ก็เรื่องของกายน่ะ ร่างกายมนะันจะตายก็เรื่องของกายนะถึงที่ร่างกายคนรักของเราจะตายมนะก็เรื่องของเขานะเราก็เพยงแค่ดูแค่ช่วยดูแลนะการดูนี่ก็ไม่ใช่ปล่อยปาะลาทิ้งนะก็ดูแบบดูแลได้นะดูแลบรรเทาบำบัดแก้ไขแต่สิ่งที่เราคือระวังใจนะใจเราเป็นผู้ดูนะเมื่อมีการดูจริงๆเนะี่ยมันจะ มันจะวางใจได้นะถ้ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็วางใจได้นะจะหายก็รับได้ไม่หายก็รับได้นะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่ดูเนะี่ยมันอยากจะหายไม่อยากตายนะมันจะเป็นความคิดที่ทำให้เราทุกข์ใจนะแต่ถ้าเราวางใจได้เนะี่ยหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือเราจะวางใจเราดูกายนะดูกายไปเรื่อย ดูจิตใจด้เหมือนกันเราจะเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันคิดของมันเองนะมันก็คิดมันเป็นอนัตตาของมันด้วยนะมันคิดนั่นคิดนี่ไม่อยากคิดเคยคิดเนาะนะไม่อยากรู้สึกแบบนี้มันก็รู้สึกของมันเองมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเราเจอสตินัสอยากให้เห็นเห็นไปรักของทุกอย่างเห็นความเป็นทุกข์ นะก็ได้น่ะเช่นอย่างที่บอกว่าเห็นความโกรธมันเป็นทุกข์นะอันนี้ก็ได้เห็นความอยากมันเป็นพุก์แบบนั้นก็ได้หรือเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์น่ะก็ได้นะหรือเห็นความไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือว่าเราบังคับมันชาไม่ได้จะห้ามให้มันคิดก็ห้ามไม่ได้ ไม่อยากคิดนะแต่มันก็คิดของมันเองไม่อยากรู้สึกมันก็รู้สึกของมันเองไม่อยากง่วงนะมันก็นงก่วงของมันเองอยากจะหลับมันก็ไม so ่หลับของมันเองนะห้ามก็ไม่ได้นะบังคับก็ไม่ได้ถ้าเราดูแบบนี้นะมันจะไม่ทุกข์มันจะสุบก็คือมันเป็นของมันเองเราไปเผลอไปบังคับมันอะตอนนั้นอะมันถึงทุกข์แต่เราก็ดูมันมันนอนไม่หลับก็ดูมันเออมันปวดขาก็ดูมัน มันปวดหมัวนะก็ดูมันนะพอดูมันนะมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะเบาเบาสบายสบายนะก็ยิ้มยิ้มไปดูมันเหมือนเราดูเด็กมันเหมือนเราเห็นเด็กมันร้องไห้เนาะถ้าเราดูมันแบบยิ้มยิ้มเด็กมันก็เป็นแบบนั้นแหละเราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราจะเอาจริงเราจงกับเด็กมันต้องเงียบมันต้องไม่ร้องไห้มันต้องไม่ดื้อเลยใครทุกข์นะเด็กก็ทุกข์เราก็ทุกข์นะ เราอยากจะไปจัดการเนี่ยจะไปบังคับเขาแต่ถ้าเราดูจริงๆเนะเรื่องมันก็เรื่องของเด็กมันก็เป็ น, นนะมันก็เป็นแบบนั้นแหละหรือเราดูจิตใจของเราเองก็เหมือนมันก็เป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของความคิดนะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะถ้าเรามีสตินะจะมีปัญญายเห็นมันเป็นเรื่องของกายมันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าเมื่อไรที่เราขาด สติไม่มีปัญญานะอันนี้ก็กายเราอันนี้ก็ใจเรานะกายของเราเจ็บกายของเราแก่กายของเราเจะตายนะใจของเราดีใจของเราไม่ดีนะมันเป็นเราเหมดใจเราฟุ้งร้างใจเราทุกขนะ์แต่จริงมีสติเนี่ยยังมีอาการดีไม่ดีนะอาการทุกข์หรือไม่ทุกข์มันมีนะ แต่มันไม่มีคำว่าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะมันเห็นเพียงแค่อาการนะเห็นอาการรูปมันทุกเห็นอาการนามันทุกนะเป็นโรคของรูปเป็นโรคของนาเป็นทุกข์ของรูปเป็นทุกข์ของนาเห็นทุกอย่างนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นแบบนี้นะมันก็จะสบายนะลองดูนะเราพยายามดูในแง่นี้นะให้มันเจอะนะ มองอะไรที่เป็นแบบนี้นะบางทีบางคนมองไม่เป็นก็พิจารณาช่วยเลกหน่อยนะแต่ไม่ใช่ต้องบังคับให้มันคิดเข้าใจแบบนั้นแต่มองให้เป็นมุมนั้นถ้ามองมุมนั้นใจเราจะสบายแต่ถ้าเรามองไม่เห็นเป็นมุมนั้นเนะเราก็จะตายนะจะทุกข์ตายไปเฉยเนะี่ยเพราะบางทีเราโกรธแบบนี้เนาะเราไปอยู่กับความโกรธเนี่ยไม่เห็นมันไม่เที่ยงไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นทุกข์เนี่ย เราก็เป็นผู้โกรธโกรธจนตายนะแต่ถ้เราเห็นจิตใจมันทุกเนาะถ้าเราเข้าใจกจริงมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปมันไม่โกรธข้ามวันข้ามคืนหรอกเอ่มันก็ดับไปของมันเองนี่มันก็ไม่ทุกแล้วนี่มันเกิดของมันเองเนาะขอโกรธมันเป็นอำนาจตายังไงเนาะมันเกิดของมันเองน่ะไม่ได้อยากให้มันโกรธไม่ได้งให้มันโกรธมันโกรธของมันเองแล้วมันก็ดับไปนีะจิตมันเป็นแบบเนี้ ถ้าเรามีสติเราจะเห็นนะหรือบางทีบางคนเห็นแล้วมันยังยังไม่ดูดลัแล้วก็มาใส่การเนี่ยทำในรูปแบบกลับมากลับมามันกลับมาแป๊เดียวไปใหม่ก็ไม่เป็นไรนะให้เราสบายสบายางทีปฏิบัติทำแล้วมันยังคิดซ้ำคิดวนวนเวียนเรื่องเดิมๆนะยังคิดยังทําอยู่อก็ไม่เป็นไรการกลับมามีสติแต่ละครั้งก็เหมือน กับมาบุตรอมาจากความคิดแบบนึงนะมาจากเถือก็ไปจมใหม่ถ้าไม่เป็นไรก็กลับมาใหม่นะอันมามักเปรีเทียบเหมือนคล้ายๆเคนจม น, น้ำนะถ้าเราจม น, น้ำํำเราลงแบบปล่อยมันจมแต่เราหล่อนะไม่นานมันก็ตายแต่ถ้าเราจม น, น้ําแล้วฟู้มาสักหม่นะโผล่ขึ้นมาเหนือ น, น้ำนิดนึงนะแม้โผล่แล้วมันยังว่าไม่เป็นยังจมไปเองอ่ะก็ไม่เป็นไร แล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะต่ออายุนะต่อลมหายใจสักหน่อยพอโผล่ไปไหวโผล่ไเดี๋ยวก็เริ่มลอยคอเป็นนะหรือบางทีปหาอะไรกอะได้มันก็ไม่ตายละจิตใจของเราก็เหมือนกันบางทีถ้าเราไม่รู้จกักวิธีออกจากอารมณ์เนะี่ยเราก็ทุกข์เราเครียดนะมันก็ออกไม่ได้นะเนกว่าอารมณ์มันจะน้อยไปนะมันค่อยสบายหน่อยเดี๋ยวถ้าเรามีวิธีแล้วก็ออกนะ การมีสติเนี่ยคือการออกมาจากอารมณ์ที่ลักษณะทําอะไรก็ได้นะที่จริงเราจะทําอะไรก็ได้ให้มันออกจากอารมณ์นะการยกมือสั่นจังหวะการเดินจงกรมการหายใจเข้าการหายใจออกนะการกระพริบตาปากนะการไปอาบนะ้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันออกจากอารมณ์ได้ทําไปเถอนะอยจะไปติดรูปแบบมากนะนะ ง, งังัวงมากๆยกมือสั่นจังหวะเราไม่ไหวนะ ไปล้างหน้าล้างตาไปอาบน้ําเออมันหายเออเนี่ยก็ออกจากอารมณ์ได้เหมือนกันนะ อ, อ่ันเนี่ยก็เราจะทําอะไรก็ได้นะถ้าเรามีสติเนี่ยถือว่าถูกทั้งหมดนะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะรูปแบบเป็นเพียงแค่เหมือนคล้ายเป็นอ่าเป็นหลักไว้ท่านออกจากรูปแบบได้ก็ดีแต่บางทีถ้าทําในรูปแบบแล้วมันยังง่วงอยู่ฟุ้งมากเนะี่ยบางทีก็เปลี่ยนรูปแบบบ้าง น, นะ อย่าไปเอาท่าเดิม น, นะหลวงพ่อเขียนยังบอกว่าบางทีให้ตั้งค่าใหม่บ้างนะมันทําไปแล้วมันเบอ่อเบือมันง่งงนะ่วเนี่ยตั้งท่าใหม่ตั้งหน้าตั้งตาใหม่นะหรือไปออกไปเดินใหม่เนะี่ยมันจะได้ตั้งฉากใหม่บ้างนะอย่าไปจมอย่างเดียวนะเราต้องรู้จักใช้ปัญญาเปลี่ยนบ้างนะหรือบางทีมันฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่นะเออ ตั้งใจใหมนะ่เอาจริงเอาจริงใหม่นะตั้งหลักใหมนะ่แต่ละท่าแต่ละท่าใหม่นะอย่าให้มันลอยไกลๆนานๆเราต้องรู้จักตั้งใหม่บ่อยๆ อ, นะอันนี้คือกรรมฐานให้มันใหม่เสมอให้มันใหม่บ่อยๆถ้าเราไปเอาอารมณ์เก่าๆเนี่ยมันบูดเนาะนะมันบูดนะไม่ใช่กรรมฐานที่แท้จริงกรรมฐานแท้จริงต้องรู้อารมณ์ใหม่ ปัจจุบันนี่แหละให้มันใหม่อย่าเอาของเก่าอย่าเอาของบูดนะอารมณ์ในอดีตนะมันบูดนะอารมณ์ในอนาคตเนี่ยก็เป็นพวกเพ้อฝันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะเห็นไหมจิตถ้าเราไปติดกับอดีตนะบางคนเคยภาวานาแล้วมันสงบแล้วมันสบายแล้วมันเบาหรือแยกนั่นแยกนี้ได้แต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วเนี่ยไปคิดถึงแต่อารมณ์เก่าเนี่ยปเปรี้ยวของบูดของเก่านะ เหมือนกับเราโรของที่เคยกินแล้วนะมันถ่ายออกไปนะเอามากินอีกมันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยเราเคี้ยวไปแล้วเราายออกมายังไม่อยากกินเลยนะอารมณนะมนเนี่ยบทีเอาของเก่ามาเคี้ยวใหม่เนีน่ยเขาว่าเราเมื่อวันนะ้เอามาคิดอยู่เนี่ยเขาโกงเราเมื่อตอนเรายัเป็นสาวเป็นนม อ, อยู่นะอยากเอามาเจ็บใจผูกอากาอพูกอ่ะ ขาดฆ่าบทบดีบ่ายก็อยู่นะไม่วางไม่ปล่อยนะอันนี้ยเราก็เอารวันเก่าๆมาเคี้ยวมากินนะมันบูดมันเน่าใ น, ในใจของเรานะหรือบางทีเราความกังวลในอนาคตบางทีคนบางทีไม่รู้บางคนนะกลัวกลัวตายไม่มีคนเห็นนะกลัวตายลูกหลานไม่ได้มาดูใจนะอืหรือว่ากลัวตายแล้วจะไปไม่ดีนาะมันยังไม่เกิดขึ้นเลยเนาะนะ มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็เอความกลัวมาเป็นความทุกข์ในตอนนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตอนเราจะตายบางทีก็เลือกไม่ได้นะอืมไปเกิดขึ้นตอนไหนก็ถ้าเราวางใจได้เนะ่ยเออมันก็ไม่ทุกข์ใจอันนั้นเราอย่าเราเอาอารมณ์เก่าเก่าในอดีตมาทําให้เกิดจิตมันทุกข์หรือเราอยาเอาอารมณ์ในอนาคตมาทุกร่วมหน้านะมาทุกดวมหน้ามันยังไม่เกิดเลยนะักทุกข์แล้วนะ เนี่ยคือคนที่หลงถ้าเรามีสติจะกลับมารู้สึกรู้ปัจจุบันของเรามาเห็นใจมันกลัวเห็นใจมันเถือไปคิดเรื่องอดีตอันเนี้ยเราจะเห็นที่ปัจจุบันนพอเห็นที่ปัจจุบันมันจะไม่ไหลไปกับปัจจุบันเนี่ยเราทำอันเนี้ยบ่อยๆนะให้เราพิสูจน์ลองดูเนาะนะเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะได้ได้มาปฏิบัติธรรมนะได หลายๆคนก็ได้ทันของพ่อกำเขียนมาหลายทีเนะี่ยเป็นผู้ที่โชคดีนะเนะี่ยมีมีโยมคนหนึ่งอยู่เชฟูมนะถือว่าเขาเป็นเศรษฐีคนหนึ่งหละนะเคยไปเรียนเมืองนอกมีธุรกิจใหญ่โตพอสมควรนะเคยมาบวชอยู่ที่ภูกอะทองแล้วก็ไปจำจำวัดอยู่ที่สุขโตนะเขาบอกว่าชีวิตเขานะ พอได้คิดถึงการบวชเนี่ยคือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีค่าที่สุดเลยนะมีค่านิยกว่าการที่ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆมันมีค่าที่ตรงไหนเพราะว่าได้มาบวชแล้วได้ปฏิบัติธรรมในแนวทางการเจริญสติเนี่นะรู้สึกว่าการได้มาบวชเนี่ยมีค่าที่สุดต่อการ ท, ที่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยเราเองอาจจะไม่ได้มาบวชพระตลอดนาะแต่ให้เราบวชใจรับตลอด ให้มีสติ บ, บวชใจรู้สึกตัวบ่อยๆเราจะเห็นว่าชีวิตเราไม่ไร้ค่าชีวิตเรามีค่านะชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ว่าต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเงินทองมีคนนับหน้าถือตามากอันนั้นบางทีไม่ใช่ชีวิตมีค่านะถ้าเบื้องหลังพวกนั้นมันเน่าเฟสมันโกงกินมาอะไรก็แล้วแต่เนาะ แต่ถ้าชีวิตที่เรามีค่าเนะี่ยคือชีวิตที่เรามีความสุขมีความสงบเย็นภายในใจของเราเนะี่ยถือว่าเป็นชีวิตที่มีค่าชีวิตที่ไม่ทุกข์นั่นแหละมีค่าที่สุดแล้วก็ความไม่ทุกข์ของเราความเข้าใจธรรมะระดับใดระดับหนึ่งของเรานะั่นแหละถ้าเราไปช่วยคนอื่นให้เขาไม่ทุกข์หรือคนอื่นอยู่ใกล้เราแล้วก็มีความสุขเนะี่ยมีค่าแล้นะโยมนะถ้า ไม่ออกก็ออกตัดไปที่บ้านเนี่ยลูกหลานอยู่ ใ, ใกล้แล้วมันมันอยู่แล้วมันสบายใจเนี่ยเนี่ยชีวิตดอกมีค่าแล้วนะแต่ถ้าลูกหลานอยู่ใกล้เราไม่ไม่อยากอยู่ใกล้ออีเมอีพอคือเครียดไงเท่นอ้อยจมวนรละดูเลยเนี่ยลูกหลานไม่อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ละนะแต่ถ้าใจเราดีใจเราเย็นใจเราสงบเนี่ยเราอยู่ใกล้ใคร ชีวิตเราก็มีค่าแล้วก็มีประโยชน์นะหเหมือนเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เนาะแดดตอนร้อนมันก็เย็นมันก็สงบเนะี่ยคืมีค่านั้นชีวิตที่ดีชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่จิตใจของเราสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะต่อคนอื่นบ้างอันเนี้นแหละคือชีวิตที่มีค่าอันนั้นพวกเรา มาทำสิ่ง น, นี้นะมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาเจเิญสติเนะี่ยถือว่ามาถูกทางเนาะมาทำชีวิตเราให้มีค่าให้มีราคาให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบนะพระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐนะอย่างหลงพ่อเขงเขียนนะแม่หลงพ่อนะจะจากไปแล้วแต่มาก็รู้สึกว่าตัวเองก็ โชคดีมีค่านะที่ได้มาเจอหลวงพ่อได้ฟังธนะรรมนี่หมายว่าพวกเราหลายคนก็มีโอกาสเช่นนั้นเหมือนกันนะธรรมะของหลวงพ่อมีค่ามากนะเราปิดใช้ตลอดชีวิตเลยหลวงพ่อไม่อยู่แต่ธรรมะของหลวงพ่อยังอยู่นะหลวงพ่อตายไปแต่ร่างกายแต่ธรรมะธรรมตอนจริงเนี่ยไม่ได้ตายไปกับท่านด้วยถ้าเราเอาธรรมะที่ท่านบอกเื่องสอน มาใช้ในตัวเราเนี่ยถือว่าหลวงพ่อยังอยู่กับเรานะท่านไม่จากไปไหนเลยท่านอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิตใจของเราเนี่แหละนะถ้าเรามีความสุขใจเรามีความไม่ทุกข์ใจนั่นแหละถือว่าเราได้ทําตามคําสอนของหลวงพอ่อถือว่าหลวงพ่อยังอยู่กับเรานะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้พยายามตั้งใจในปะฏิบัติธรรมนะเราก็จะรูกว่าเรามีเพราะพุทธมีพระธรรมมีเพราะสง อยู่ในใจของเราจริงๆนะตอนนั้นแหลถ้าเรามีาม พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจใจเราก็มีความสุขใจเราก็มีความเบิกบานมีความตื่นรู้มีพุทธะอยู่ตอนนั้นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็ก็คงพูดสมควรเสีเวลานะักสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรันาตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะจง บนบันดาล น, นะให้ยติธรรมทุกท่านนะได้มีดวงตาเห็นธรรมจนท่านเข้าถึงมผลนิพพานในปัจจุบันใชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเ้วอยเธอร